จเจริญพนท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24ตุลาคมพุทธศักราช2553เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญเพราะเป็นวัน ออกพรรษาเป็นเหตุที่ทำให้พวกเราซึ่งตามปกติอาจจะไม่ค่อยได้ทำบุญกันเท่าไหร่ก็จะได้มีโอกาสเช่นวันออกพรรษาหรือวันเข้าพรรษาและวันเทศกาลต่างๆเป็นเหตุจูงใจให้ได้มาทำบุญกันเพราะการทำบุญนี้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อจิตใจ ของพวกเราเป็นอย่างมากเพราะจิตใจของพวกเรานี้ก็ต้องมีที่พึ่งมีปัจจัยสี่เหมือนกับร่างกายร่างกายต้องมีปัจจัยสี่ชั้นใดใจก็ต้องมีปัจจัยสี่ชั้นนั้นปัจจัยสี่ของร่างกายก็คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งโหยยารักษาโรค เป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วร่างกายก็จะไม่สามารถอยู่อย่างปกติสุขและอาจจะต้องถึงแก่ชีวิตไปก่อนเวลาอันควรฉันใดใจก็ต้องการปัจจัยสี่เช่นเดียวกันปัจจัยสี่ก็คือบุญต่างๆที่พวกเรามาทำกันเช่นทานคือการให้ให้ข้าวของเงินทอง ให้อาหารเขาหวานนี้เป็นการให้อาหารแก่ใจเพราะเวลาเราได้ให้ทานแล้วเราจะมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจทานจึงเป็นอาหารของใจส่วนศีลก็เป็นเครื่องนุ่มห่มของใจศีลก็คือความประพฤติดีคือการไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตรักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดและเสพสุรายาเมางเพราะเป็นการกระทมที่จะนำความเสื่อมเสียมาให้แก่ผู้กระทาและผู้ที่ถูกกระทำเป็นเหมือนกับคนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวยงามไม่สวมใส่คนที่ไม่มีเสื้อผ้าสวยงามไม่สวมใส่ก็ดูเป็นเหมือนคนอับประกไป ดูแล้วไม่น่าชื่นชมยินดีไม่มีบุ ค, คลิกฉันใดใจก็เป็นอย่างนั้นใจจะเป็นใจที่มีบุ ค, คลิกเป็นที่น่าชื่นชมยินดีเป็นที่รักเคารพของผู้อื่นก็จำเป็นต้องมีศีลเป็นผู้ที่มีความซื่อสั์สุดจริตแล้วพวกเรามีความชื่นชมยินดีมีศรัทธา มีความเคาเรพเลื่อมใสในผู้ทรงศีลทรงธรรมต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าทั้งๆ ท, ที่เราก็ไม่เคยได้พบปากกับพระองค์เองแต่เพราะศีลของพระองค์นี้เป็นศีลที่บริสุทธิ์เป็นจิตใจที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความคิดร้ายแต่ผู้อื่นเลยแม้ผู้อื่นจะคิดร้ายกับพระองค์พระองค์กับมีความเมตตาสงสาร ไม่เคยคิดที่จะตอบโต้ทำร้ายผู้ที่คิดทำร้ายพระองค์ความดีความสวยงามนี้นนแหละที่ทำให้พวกเรานั้นมีความเคารพเลื่อมใสศรัทธาในพ ร, พระพุทธเจ้าในพระอริยสงสารุและในพระผู้ทรงศีลทรงธรรมทั้งหลายเพราะท่านมีอาภรณ์ที่สวยงาม ความสวยใสของจิตใจนั่นเองความสวยงามที่แท้จริงนี้ต้องสวยที่ใจสวยที่กายนี้ยังไม่ถือว่าเป็นความสวยที่แท้จริงเพราะถ้าร่างกายสวยงามแต่ใจไม่สวยงามก็จะไม่เป็นที่น่ารักน่าชื่นชมยินดีต่อผู้อื่นดังนั้นขอให้เรา จงให้ความสำคัญต่อความสวยงามทางใจด้วยการรักษาศีลอย่างสม่าเสมอศีนี้ไม่ยากเลยมีเพียงหข้อเท่านั้นเองตอนนี้เราก็มีศีนทั้งห้าข้อแล้วเช่นตอนนี้เราก็ไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ประพฤติผิดตัวเวณีไม่ได้พูดตด ไม่ได้เสยสุรายามเมามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นเลยเพราะถ้าเป็นสิ่งที่ยากเย็นพวกเราก็คงจะไม่สามารถนั่งอยู่อย่างนี้ได้คงจะต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปประพฤติผิดประเวณีแล้วแต่นี่เป็นเพราะว่าศีลมันไมเ่เป็นสิ่งที่เหนือวิสัยของมนุษย์ศีล น, นี่แหละคือคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าเราอยากจะเป็นมนุษย์ ครบบริบูรณ์เราก็ต้องมีศีลให้ครอบบริบูรณ์ถ้าขายศีลข้อใดข้อหนึ่งไปแล้วความเป็นมนุษย์ของเราก็จะค่อยๆเสื่อมไปทีละเล็กทีละน้อยเช่นทุกครั้งที่เราฆ่าสัตว์นี้จิตของเราก็จะเสื่อมไปทางเดรัจฉานเพราะเดรัจฉานนี้เขาต้องฆ่ากันเพื่อที่จะได้อยู่รอดเขาฆ่าเพื่อความอยู่รอด แต่มนุษย์นี้ไม่จาเป็นจะต้องฆ่าเพื่อความอยู่รอดเช่นบงคนคิดว่าต้องมีอาชีพฆ่าสัตว์ถึงจะอยู่ได้คนที่คนที่เป็นมีอาชีพกับการฆ่าสัตว์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเป็นสุกรเป็นไก่เป็นเป็ดเป็นปลาอย่างนี้เป็นการ ทำให้จิตใจของตนนั้นอยู่ในระดับของเดรัจฉานเพื่อต้องฆ่าผู้อื่นเพื่อที่จะทำให้ตนนั้นอยู่รอดแต่ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นมนุษย์นี้จะรู้ว่าการฆ่าผู้อื่นนี้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามเป็นการกระทาที่เสียหายเสียหายทั้งผู้ที่กระทา และผู้ที่ถูกกระทาชีวิตของใครใครก็รักกันทั้งนั้นเวลาที่เราฆ่าคนอื่นเราน้อจะมีเหตุผลว่าเราต้องมีอาชีพเช่นเราฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายเราก็อ้างว่าถ้าเราไม่ฆ่าเราก็จะอยู่ไม่ได้แต่ทำไมเราไม่คิดถึงเวลาที่คนอื่นเข่าฆ่าเราบ้าง ว่าถ้าเขาไม่ค่าเราเขาก็จะอยู่ไม่ได้เราจะรู้สึกอย่างไร <c oughs> ความจริงแล้วเราไม่ต้องฆ่ากันเราก็อยู่กันได้อาหารมีหลายชนิดด้วยกันไม่มีเนื้อสัตว์ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกินผกักกินข้าวกินผลไม้ก็อยู่ได้หรือจะกินเนื้อสัตว์ก็ยังกินได้แต่ขอให้เป็นเนื้อสัตว์ที่ตายแล้ว คืออย่าให้ตายด้วยการกระทําของเราก็แล้วกันเช่นถ้าเราไปตลาดมีมีเนื้อสัตว์ที่ตายแล้ววางขายอยู่ถ้าเราจะซื้อมารับประทานอย่างนี้ก็จะไม่เป็นการผิดศีลแต่อย่างใดแต่ถ้าเราไปสั่งไว้ล่วงหน้าก่อนเช่นสั่งว่าพรุ่งนี้ขอไก่สองตัวถ้าเป็นการสั่งแล้วอย่างนี้ถือว่าเป็นการผิดศีล แต่ถ้าเราไม่ได้สั่งแล้วมีคนเขาไปทำมาขายไปฆ่าแล้วเอามาขายอันนั้นบาปตกอยู่กับผู้ที่กระทำนะผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์นี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยบางท่านอาจจะอ้างว่าถ้าเราไม่คิดถ้าเราไม่กินเขาก็จะไม่มีคนซื้ออันนี้ก็ถูกแต่มันเป็นไปนไม่ได้ว่าโลกของเราทุกคนนี้จะคิดเหมือนกันถ้าคิดเหมือนกันป่านนี้ ก็จะไม่มีการฆ่ากันมานมนานแล้วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นโลกของเรานี้มีคนทั้งใจบุญและคนใจบาปอยู่ปนกันไปคนใจบาปนี้ต่อให้สอนต่อให้บอกอย่างไรว่าไม่ให้ฆ่าเขาก็ไม่สนใจเขาก็จะฆ่าเพื่อที่เพราะเขาเห็นว่ามันเป็นการสะดวกเป็นความสะดวกในการทำมาหากินของเขานั่นเองหรือเป็นความสะดวก ในการแสวงหาสิ่งต่างๆที่เขาปรารถนาแต่คนที่ไม่คนที่ใจบุญนี้่อทำอย่างไรเขาก็ไม่ฆ่าเพราะเขากลัวบาปเขาไม่อยากจะเบียดเบียนผู้อื่นเขาคิดถึงโอ้อกเขาโอ้อกเราเราไม่อยากให้คนอื่นฆ่าแล้วเราไปฆ่าเขาได้อย่างไรเขาจะคิดอย่างนี้อย่างนั้นเรื่องของ เรื่องของการปรับประทานเนื้อสัตว์เพราะมีคนเอามาขายฆ่าแล้วเอามาขายนี้ไม่ได้เป็นการส่งเสริมเพราะว่าคนที่เขาฆ่านั้นเขามีจิตใจที่จะมุ่งไปทางนั้นอยู่แล้วจะมีคนซื้อไม่ซื้อเขาก็ฆ่ามากินของเขาเองอยู่ดีดังนั้นเราไม่ต้องไปวิตกถ้าเรายังต้องรับประทานเนื้อสัตว์อยู่ แล้วไปซื้อเนื้อสัตว์ในตลาดมาอย่างนี้ขอให้ตายแล้วก็ใช้ได้อย่าไปซื้อสัตว์ที่ยังไม่ตายเช่นไปตามร้านอาหารแล้วเขามีปลาแช่อยู่ในตู้อย่างนี้แล้วก็ชี้บอกเขาว่าต้องการปลาตัวนี้มารับประทานถ้าอย่างนี้ก็เป็นการฆ่าสัตว์เป็นการผิดศีลศีลนี้ไม่ว่าจะทำเองก็ดี หรือให้ผู้อื่นกระทําก็ดีก็ถือว่าผิดด้วยกันทั้งคู่ดังนั้นเราก็ต้องรู้จักแยกแยะไม่ใช่คิดว่ากินไม่ได้เลยเช่นคนบางคนก็ถือมังสวิรัตคือรับประทานแต่ผักคือไม่รับประทานเนื้อสัตว์แต่ก็ยังไม่ได้รักษาศีลเช่นก็ยังพูดปดยัง เดิมสุาหรื อ, อยังลักทรัพย์อยู่อย่างนี้หรื อ, อยังยังฆ่าสัตว์อ ย, อยู่อาจจะสัตว์เล็กสัตว์น้อยเช่นมดยุงเป็นต้นอย่างนี้การรับประทานมังสวิรัตก็ไม่ไม่ได้ทำให้เรามีศีลแต่อย่างใดการรับประทานผักนี้กับคนที่รับประทานเนื้อนี่ไม่ได้เป็นตัวที่ชี้บอกว่าเป็นผู้มีศีลหรือไม่มีศีล ผู้ที่มีศีลหรือไม่มีศีล น, นี้ต้องอยู่ที่ว่ารักษาศีลห้าได้หรือไม่ต่างหากถึงแม้ไม่ได้รับประทานมังสวิรัตแต่รักษาศีลห้าได้หรืออย่างพระภิกษุนี้ท่านรักษาศีลสองิบเจ็ข้อไดทท้ทั้งทั้งทั้งที่ท่านก็ยังรับประทานเนื้อสัตว์อยู่อย่างนี้ก็ท่านก็ยังเป็นผู้ที่ทรงศีลอยู่การรับประทานเนื้อสัตว์นี้ ไม่ได้ทําให้เราไม่มีศีลแต่อย่างใดการฆ่าต่างหา ก, การกระทําต่างหาที่จะทําให้เราไม่มีศีลดังนั้นขอให้เราจงพยายามรักษาศีลไปให้ได้มากๆเพราะอา น, นิสงส์ของศีลนี้มีหลายอย่างด้วยกันคืออย่างที่เรารู้กันก็คือเราจะเป็นคนที่ไม่น่ารังเกียจเป็นคนที่ มีผู้อื่นเขาเคารพนับถือเลื่อมใสศรัท ธ, ธามีความเชื่อในคำพูดของเราเพราะคำพูดของเรานั้นเป็นไปตามที่เราพูดเสมอพูดอะไรแล้วเราก็จะไม่กลับคำรับปากใครไว้เราก็จะไม่ไ ม, ไม่ไม่เสียคำพูดของเราทำให้เรานี้เป็นคนที่เชื่อถือได้ไว้วางใจได้ เช่นคำพูดของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำพูดที่เราเชื่อถือได้ทุกคำพูดเลยคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมากมายก่ายกองที่บรรจุไว้ในพระไตปรปิฎกก็มีถึง8ป0 0 0สี่พันพระธรรมขัมภ์ด้วยกันแต่ทุกๆคำพูดทุกๆคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงทั้งนั้นเราเชื่อได้อย่างสนิทใจถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว รับรองได้ว่าเราจะได้รับแต่ประโยชน์เราจะได้รับแต่ความเจริญโดยถ่ายเดียวเพราะนี่คือคําพูดที่ศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเพราะเป็นวาจาศักดิ์และได้รับการรับรองมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานถึง 2,500 ันหากับปีโดยพระ อ, อริยสงสาวกต่างๆพระ อ, อริยสงสาวกทุกรูปนั้นไม่มีใครออกมา ว่าคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี้ไม่เป็นความจริงเลยมีแต่รับรองทุกๆรูปเพราะว่าการปฏิบัติตามคำสอนของพ่อพระพุทธเจ้านี้เองที่ทำให้เขาได้บรรลุเป็นพระอริยสมุสาว ก, กันแล้วจะมาปฏิเสธคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าไม่จริงได้อย่างไรเช่นคนบางคนปฏิเสธว่าตายแล้วศูนย์อย่างนี้เป็นต้น หรือตายแล้วก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีการทำบุญแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรการทำบาปแล้วก็ไม่ตรวดโทษแต่อย่างใดคนที่พูดเหล่านี้เป็นคนหูหนวกตาบอดเป็นคนที่ไม่เห็นความจริงพูดไปตามความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเพราะเขาไม่เห็นใจใจของพวกเราที่ไม่ตายกันใจของพวกเรานี้ อยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วเหมือนกับเสื้อผ้าของเราที่เราสวมใส่เสื้อผ้าเราใส่ไปจนมันขาดจนใส่ไม่ได้แล้วเราก็โยนทิ้งไปแต่ร่างกายของเราก็ไม่ได้ะไม่ได้เสียไปกับเสื้อผ้าที่เราสวมใส่เราก็เพียงแต่หาเสื้อผ้าชุดใหม่มาใส่ต่อใจก็เป็นเหมือนร่างกาย ส่วนร่างกายของเรานี้ก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าของใจพอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็ไปหาเสื้อผ้าไปหาร่างกายอันไหม่มามาสวมต่อจะได้ร่างกายของมนุษย์หรือของเดรัจฉานก็ขึ้นอยู่กับบาปกับบุญที่ทำไว้นี่เองถ้าทำบาปไปไว้ก็ต้องไปได้ร่างกายของเดรัจฉานมาสวมใส่ไปก่อน ได้ร่างกายของสุนัขร่างกายของนกของแมวของปลาเป็นต้นจนกว่าจะหมดกรรมเราถึงจะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่ดังนั้นการรักษาศีลจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์อย่างยิ่งขอให้พวกเราถ้าเราต้องการให้ผู้อื่นเขารักเราชอบเราเคารพเราขอให้เรารักษาศีลมาให้ดีเถอะ นี่คือปัจจัยสข้อที่สองของใจก็คือศีข้อที่สามของใจปัจจัยข้อที่สมของใจก็คือสมาธิสมาธินี่ก็คือที่อยู่อาศัยของใจร่างกายต้องมีที่อยู่อาศัยเพื่อหลบแดดหลบฝนหลบภัยต่างๆใจก็ต้องมีสมาธิไว้เป็นที่หลบความวุ่นวายใจต่างๆ เวลาที่เราเข้าไปในสมาธินั้นเรื่องราวต่างๆที่อยู่ภายนอกใจจะไม่สามารถตามเข้าไปลบกวนใจของเราได้เลยวันไหนทีเ่เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจเราไม่อยากที่จะรับรู้เรื่องราวต่างๆเราก็บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธไปหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆอยากคิดถึงเรื่องราวที่ทำให้เราเกิดความวุ่นวายใจ ไม่นานใจก็จะสงบแล้วก็จะลืมเรื่องวุ่นวายใจต่างๆได้เป็นเหมือนกับร่างกายเวลามีแดดร้อนมีฝนตกเราก็หลบเข้ามาหลบอยู่ในบ้านเนื้อเวลามีภัยมีสัตว์อะไรที่จะมาทำลายเราทาร้ายเราเราก็หนีเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็จะปลอดภัยเพราะเขาจะไม่สามารถตามเข้ามา ทำร้ายเราได้นั่นเองสมาธิจึงเป็นเรือนใจเป็นที่หลบภัยต่างๆที่เราควรที่จะสร้างให้เกิดขึ้นมาถ้าเราไม่สร้างถึงเวลาที่เกิดภัยเกิดความทุกข์ใจเราจะไม่รู้จะไปหลบที่ไหนเราก็จะต้องทนแบกทุกข์ไปจนกว่ามันจะหมดกำลังไปเองเหมือนกับคนที่ไม่มีบ้านเวลาฝนตก ก็ต้องทนให้ฝนตกไปจนกว่าฝนจะหยุดแต่ถ้าเรามีบ้านเราก็หลบเข้ามาในบ้านเราก็ไม่ต้องเปียกดังนั้นเราจึงควรที่จะสร้างสมาธิด้วยการนั่งสมาธิให้เป็นประจำให้ติดเป็นนิสัยวันหนึ่งถ้าได้อย่างน้อยวันละสองครั้งก็จะดีคือเช้าตื่นขึ้นมาก่อนที่จะ ไปทำอะไรไปทำธุระอะไรก็ให้นั่งสมาธิสวดมนต์ในท่านั่งสมาธิก็ได้ น, นั่งหลับตาขัดสมาธแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจสวดบทที่เราจำได้สวดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้สวดไปนานๆอย่างน้อยสักครึ่งชั่วโมงก็จะทำให้ใจมีความสงบมีความเย็นสบายแล้ว เวลาที่เราออกไปข้างนอกไปทำธุระอะไรต่างๆเวลาที่เราไปรับรู้เรื่องต่างๆแล้วทำให้เราเกิดไม่สบายใจเราก็เพียงแต่ท่องเราก็เพียงแต่สวดมนต์ไปภายในใจของเราอยากไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจความไม่สบายใจนั้นก็จะหายไปชั่วคราวแต่จะไม่หายไปตลอดเพราะว่าสมาธินี้เป็นเพียงที่ พักผิงเป็นที่หลบภัยชั่วคราวถ้าอยากจะทำลายภัยที่มาลบกวนมาสร้างความทุกข์ให้แกดใจอย่างถาวรเราก็ต้องอาศัยปัจจัยข้อที่สี่ของใจก็คือปัญญาซึ่งเปรียบเป็นเหมือนอยารักษาโรคใจรักษาความทุกข์ใจให้หายได้อย่างถาวร เวลาที่เราสัมผัสรับรู้กับเรื่องอะไรแล้วทำให้เราไม่สบายใจถ้าเรามีปัญญาเราก็จะพิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยมมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเช่นถ้าเราถูกคนอื่นเขาตำหนิตีเตียนว่ากล่าวดุดา่าถ้าเราคิดว่ามันเป็นเทียงเสียงมันเกิดแล้วมันก็ดับไปถ้าเราไม่เอามาใส่ใจ มันก็ผ่านไปแล้วมันหมดไปแล้วแต่เนื่องจากกิเลส ข, ของเรานั้นมันไม่ยอมเวลาใครพูดอะไรไม่ดีไม่ถูกหูก็เอามาคิดอยู่เรื่อยๆยิ่งคิดแทนที่จะสบายใจกับทุกข์ใจขึ้นไปใหญ่เพราะคิดไม่เป็นเพราะมีความอยากอยากไม่ให้เขาด่าเราอยากไม่ให้เขาตำหนิเราอยากให้เขาชมเราอย่างเดียวนี่คือกิเลส ข, ของเรา ที่เราต้องใช้ปัญญาเข้ามาตัดให้ได้ให้เราคิดว่าคำพูดของคนอื่นนั้นเราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปสั่งให้เขาชมเราไม่ได้เราไปห้ามไม่ให้เขาว่ากล่าวหรือดุด่าเราไม่ได้เราต้องปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาแต่ใจของเรานี้เราห้ามได้เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปกลัว ความดา่าคำด่าของเขาได้เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปเกลียดไปชังคำพูดของเขาได้เราต้องมาทำที่ตรงนี้ปัญหาของเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกปัญหาของเราอยู่ที่ใจของเราเองที่ไปรักไปชังไปชอบหรือไม่ชอบคำพูดต่างๆเราต้องทำใจของเราให้เป็นกลางคือไม่ต้องชอบหรือไม่ชอบให้รับรู้เฉยๆ ให้ฟังเฉยๆใครจะพูดดีก็ฟังไว้ใครจะด่าก็ฟังไว้ไม่ต้องเอามาแบกไม่ต้องเอามาคิดให้ปั่นป่วนใจไปเปล่างไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าจะฟังท่านก็สอนว่าให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลฟังด้วยปัญญาคือถ้าสิ่งที่เขาพูดนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเราถึงแม้ว่าจะเป็นคาพูดที่เราไม่ชอบ เราก็ควรที่จะยกมือไหว้เขาเช่นเขาเขาตาหนิเราและเราพิจารณาดูว่ามันเป็นความจริงก็เป็นเหมือนกับเป็นการชี้บอกคุ้มรั์ให้กับเรานั่นเองเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าเราบกพร่องตรงไหนเพราะเรามักจะเข้าข้างตัวเราเองเรามักจะคิดเสมอว่าเราดีเสมอแต่คนอื่นนั้นเขาจะมองว่าเราไม่ดีเหมือนกับเวลาเรามองคนอื่น เราก็จะมักจะเห็นความบกพร่องของคนอื่นแต่คนอื่นเขามักจะไม่เห็นความบกพร่องของตัวเขาเอง <Yeah. S 1> ดังนั้นถ้ามีใครมาบอกความบกพร่องของเราท่านบอกว่าเราควรที่จะขอบคุณเขาเพราะเขาชี้ประโยชน์ให้กับเราเพราะเมื่อเราแก้ความบกพร่องของเราแล้วเราก็จะดีขึ้นมานั่นเองเราแก้ไขส่วนที่ไม่ดีให้หมดไป เราก็จะมีเหลือแต่ส่วนที่ดีนะเราก็จะเป็นคนดีนะเราจึงต้องฟังแบบนี้ถ้าฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วเวลาถูกคนเข้าตำหนิตีเตียนนี้เราจะไม่เสียใจเรากลับมีความดีใจที่ว่าเขาเมตตาเขาสงสารเราเขาเห็นว่าเราไม่ดีตร ง, งตรงนั้นตรงนี้เขาก็ช่วยบอกเราเหมือนกับเวลาที่เราแต่งหน้าแต่งตาหวีผ้าหวีผม ถ้าเราไม่มีกระจกเราจะรู้หรือว่าเราแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วหรือไม่ mm hmm. เราต้องมีกระจกเพื่อที่จะได้รู้ว่าเราได้ทำเรียบร้อยหรื อ, อยังฉ mm hmm. ันใดาการมีผู้อื่นคอยบอกคอยว่าเรานี้ก็เป็นเหมือนการมีกระจกไว้สองหน้าเรานั่นเอง mm hmm. นี่คือการฟังให้ฟังแบบนี้ฟังแบบนี้แล้วจะเกิดประโยชน์แล้วก็จะไม่ทุกข์ใจ หรือถ้าว่าสิ่งที่เขาว่านี้มันไม่ตรงกับความจริงเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรเราก็จะรู้ว่าเขาพูดไม่จริงเขาไม่มีตาหรือตาของเขาเนพร่ามองไม่เห็นความจริงเช่นเขาว่าเราสวยแต่เราไม่สวยอย่างนี้เราก็ต้องรู้แล้วว่าเขาไม่ได้พูดจริงหรอกเขาเพียงแต่พูดเพื่อที่จะเอาใจเราเราต้องระวังแล้วละ่ะว่าเขาจะเอาอะไรจากเรา เพราะปกติเวลาคนที่เขาเอาใจเรานี้เข้ามาคุ้หวังจะได้สิ่งตอบแทนจากเรานั่นเองเราก็ต้องระวังว่าเขากําลังมาหลอกเราแล้วเราอย่าตกหลุมพรางของเขาเราไม่สวยเราก็ต้องรู้ว่าเราไม่สวยใครจะมาว่าเราสวยยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้นี่คือการฟังให้ฟังด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราจะไม่มีอารมณ์ เราจะไม่เสียใจเราจะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่โกรธ <Yeah. S 2> หรือว่าเราไม่สวยแล้วเขาว่าเราไม่สวยเราก็จะไม่เสียใจเช่นเดียวกันเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่สวย <Yeah. S 2> เพราะฉะนั้นขอให้เราฟังด้วยเหตุด้วยฝังด้วยผลฟังความจริง <Yeah. S 2> ถ้าเป็นความจริงแล้วเราจะไม่มีความทุกข์ถ้าเราฟังแบบนี้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์แต่อย่างใด ถ้าเราฟังด้วยความหลงนี่เราจะมีความทุกข์เพราะเราจะคิดว่าเราดีเราสวยเสมอเวลาใครมาว่าเราไม่ดีไม่สวยเราก็จะเสียใจเราก็จะโกรธขึ้นมาทันทีนี่คือการใช้ปัญญาเพื่อมาดับความทุกข์ภายในใจของเราเราจะดับได้อย่างถาวรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ยกตัวอย่างนี่ก็เป็นเพียงแต่คําพูดเท่านั้น แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องด้วยนี้มันมีมันมีความไม่เที่ยงอยู่ทั้งนั้นและมีเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้นอกจากคำพูดของคนอื่นแล้วร่างกายของคนอื่นเราก็ไปควบคุมบังคับไม่ได้จะเป็นของใครก็ตามของคนที่เรารักหรือของคนที่เราไม่รักก็เหมือนกันเขาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเหมือนกันเพราะฉะนั้น เราต้องพยายามสอนใจเราอยู่เรื่อยๆให้รู้ทันเวลาที่ร่างกายของคนที่เรารักนั้นต้องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือต้องตายไปใจของเราจะได้ไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายเพราะเรายอมรับความจริงได้เรารู้ว่ามันเป็นความจริงเป็นสิ่งที่เราไปบังคับไปห้ามไม่ได้เวลาคนที่เรารักนี้เขาต้องตายจากเราไปเราจะ ไม่รู้สึกเศร้าส้อย้อยเหงาเศร้าสูกเสียใจเพราะเรามีปัญญารักษาใจรักษาความทุกข์ใจนี้ได้นั่นเองนี่คือปัจจัยที่สาคัญที่สุดก็คือยารักษาโรคใจถ้าเรามียารักษาโรคใจแล้วใจของเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับใครก็ตามหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นกับร่างกายของเราเอง หรือทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของเราเองเราก็จะไม่รู้สึกว่าวุ่นขุนมัวแต่อย่างใดเพราะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเราต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปนั่นเองเมื่อเรารู้และเราทาใจได้รับกับความจริงได้เวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเราก็จะไม่มีความทุกข์ใจ แล้วก็จะเป็นยาเป็นการกําจัดความทุกข์ได้อย่างถาวรไม่เหมือนกับสมาธิที่เราต้องคอยหลบอยู่เรื่อยๆเวลามีความทุกข์ใจเราก็หลบเข้าไปในสมาธิพอออกมาเจอเจอปัญหาเดิมก็ทุกข์ขึ้นมาอีกแต่ถ้ามีปัญญาแล้วเราจะแก้ปัญหาได้คือเราจะปล่อยวางปัญหานั้นไปแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ให้มันเป็นไปตามเรื่องของมัน อะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดไปแล้วรับรองได้ว่าปัญหานั้นจะไม่เป็นปัญหากับเราอีกต่อไปนี่คือปัจจัยสี่ของใจที่พวกเราควรที่จะหามาเหมือนกับที่เราหาปัจจัยสี่ของร่างกายทุกวันนี้ปัจจัยสีของร่างกายนั้นมีเหลือเฟือมีเกินความจำเป็นแล้วเราควรจะแบ่งเวลามาหาปัจจัยสีให้แก่ใจบ้างจะดีกว่า เพื่อใจของเราจะได้อยู่อย่างมีความสุขมีความอิ่มมีความปลอดภัยไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นขอให้พวกเราจงพยายามทำบุญกันให้มากให้ทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิและพิจารณาด้วยปัญญาอย่างสม่ำเสมอเพราะเราจะได้มีที่พึ่งทางใจเราจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบาย ทำกลางความวุ่นวายท่ำกลางความเสื่อทมทำกลางความสูญเสียต่างๆได้อย่างไม่มีปัญหาแต่อย่ใดการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไวเพียงเท่านี้ขอบุญกุศลที่ทาได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ด้านมีแต่ความสุขความร่มเย็น คล้คลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ